ธรรมบทแปลเรื่องสัต ธ, ธิวิหาริกของพระสาริบุตรเถระภาคที่เจ็ดเรื่องที่สองร้อยสิบพระาศาสดาประทับอยู่นพระเชตวันทรงบรารพรสัต ธ, ธิวิหาริกของพระสาริบุตรเถระตรัสพระธรรมเทศนาน้ว่าอุจฉินทะสิเนหะ มัตตโนกุมุทังสารทิกังวะปานินาสัตติมัคคะเมวะปรุหายะนิพพานังสุขเตนะเทสิตังตอนชายหนุ่มบวชแล้วได้กรรมฐานไม่ถูกอัถยาศัยได้ยินว่าบุตรของนายช่างทองคนหนึ่งมีรูปงาม บววอยู่ในสำนักพระสารีบุตรเทระพระเทระมีความคิดว่าพวกคนหนุ่มมักมีราคะจัดดนงนี้แล้วจึงให้อสุภากรรมฐานแก่ท่านเพื่อกำจัดราคะแต่กรรมฐานนั้นไม่เหมาะสำหรับท่านเพราะเหตุนั้นท่านไปอยู่ในปา่าพยายามอยู่ตลอดสามเดือน ก็ไม่ได้แม้เพียงจิตตั้งมั่นจึงกลับมาหาพระเทระอีกเมื่อพระเทระถามว่ากรรมฐานเกิดแก่คุณบ้างไหมพิกษุนั้นจึงกล่าเปลี่ยนความเป็นไปนั้นครั้งนั้นแลพระเทระกล่าวว่าการท้อใจว่ากรรมฐานไม่สำเร็จเช่นนี้ไม่สมควรแล้วบอกกรรมฐานเดิม อธิบายอย่างละเอียดให้ยิ่งขึ้นไปอีกแม้ในวาระที่สองท่านก็ไม่อาจอยังกุนวิเศษ อ, ะ, อะไรๆให้เกิดขึ้นได้จึงกลับมากราบเรียนกับพระเถระอีกแม้พระเถระบอกกรรมฐานเดิมอีกยกอุปมาประกอบท่านก็กลับมาบอกว่ากรรมฐานไม่สำเร็จอีก พระเถระคิดว่าภิกษุผู้ทำความเพียรเมื่อมีความพอใจในการเป็นต้นก็ย่อมรู้ว่ามีเมื่อไม่มีก็ย่อมรู้ว่าไม่มีก็ภิกษุรูปนี้เป็นผู้ทำความเพียรมิใช่เป็นผู้ไม่ทำเป็นผู้ปฏิบัติมิใช่เป็นผู้ไม่ปฏิบัติแต่เราอาจจะไม่รู้อัตยาสัยของเธอ คงต้องให้พระพุทธองค์ทรงแนะนำหนังนี้แล้วจึงพาภิกษุรูปนั้นเข้าไปเฝ้าพระาศาสดาในเวลาเย็นแล้วกราบทูลความเป็นไปนั้นทั้งหมดว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุนี้เป็นสัตวทธิวิหาริกของข้าพระองค์ข้าพระองค์ให้กรรมฐานชื่อนี้แก่ภิกษุนี้ด้วยสาเหตุนี้พระชจ้า ตอนพระาศาสดาประธานกรรมฐานที่เหมาะแก่ภิกษุนั้นครนั้นพระาศาสดาตรัสกับพระเถระว่าสาริบุตรธรรมดาว่าอาสญานุสญยาณย น, นั้นย่อมมีเฉพาะพระพุทธเจ้าทั้งหลายผู้บำเพ็ญบารมีย่างหมื่นโลกธาตุให้สะตื่นแล้ว ถึงความเป็นพระสัพพันญ์อยู่แล้วเท่านั้นดังนี้เมื่อทรงรำพึงว่าภิกษุนี้บัวจากสกุลไหนหนอแหลดังนี้แล้วก็ได้ทรงทราบว่าจากสกุลช่างทองและทรงพิจารณาชาติก่อนของเธอทรงเห็นว่าภิกษุนั้นเกิดติดต่อในสกุลช่างทองมาห้าร้อยชาติแล้วทรงดำริว่า ภิกษุหนุ่มนี้ทำงานช่างทองอยู่มานานล้อมแต่ทองมีสีสุขอย่างเดียวด้วยคิดจะทำให้เป็นดอกกัิกาและดอกบัวเป็นต้นกรรมฐานเกี่ยวกับสิ่งไม่สวยงามไม่เหมาะแก่ภิกษุหนุ่มนี้กรรมฐานเกี่ยวกับสิ่งสวยๆงามๆเหมาะแก่เธอนั่นี้แล้ว จึงตรัสว่าสารีบุตรเธอจะเห็นภิกษุที่เธอให้กรรมฐานแล้วทำให้ลำบากตลอดสี่เดือนบรรลุพระอารหัตภายในเวลาหลังพัดในวันนี้แหละเธอจงกลับไปเถิดนันนี้แล้วจึงได้ส่งพระเทราไปและทรงเนรมิตรดอกบัวทองเท่ากงล้อด้วยพระฤทธ ให้เหมือนมีหยดน้ำยาดออกจากใบและก้านประธานให้ด้วยพระดำรัสนิว่าเอะเถิดภิกษุเธอจงเอาดอกบัวนี้ไปวางไว้ที่กองทรายที่ท้ายวัดนั่งกัดสมาธิที่ตรงหน้าแล้วบริกรรมว่าโลหิตะกลงโลหิตะกั ง, กงคือสีแดงสีแดงดังนี้ ภิกษุนั้นพอรับดอกบัวจากพระของพระาศาสดาเท่านั้นจิตของท่านก็สดชื่นท่านไปยังท้ายวัดพูนสายขึ้นแล้วเสียบก้านดอกบัวไว้ที่กองสายนั้นนั่งขัดสมาธิที่ตรงหน้าเริ่มบริกรรมว่าโลหิตกังโลหิตกังตอนภิกษุนั้นสำเร็จ คุณวิเศษกระนั้นนิวรณของท่านก็ระงับลงในขณะนั้นนั่นเองอุปจาระฌานเกิดขึ้นต่อจากอุปจาระฌานนั้นท่านยังปตมฌานให้เกิดขึ้นถึงความเป็นผู้ชำนาญด้วยอาการห้าอย่างคือการนึกการเข้าการออก การตั้งใจปรารถนาคืออธิษฐานและการพิจารณาคือปัจเจเวขณะเมื่อถึงความเป็นผู้ชำนาญโดยอาการห้าอย่างนั่งอยู่ตามเดิมนั่นแลบรรลุทุติยฌานเป็นต้นแล้วนั่งเล่นฌานอยู่ในจตุตฌานที่ชำนาญพระศาสดาทรงทราบว่า ฌานเกิดขึ้นแก่ภิกษุนั้นแล้วทรงพิจารณาดูว่าภิกษุนี้สามารถให้คุณลมิศเศษอันยิ่งเกิดขึ้นด้วยตนเองได้หรือไม่นอแลในนี้แล้วเมื่อทรงทราบว่าไม่ได้จึงทรงอธิษฐานว่าดอกบัวนั้นจงเหี่ยวไปดอกบัวนั้นได้เหี่ยวแห้งมีสีดำเหมือนดอกบัวที่ถูกขี้ ด้วยมือฉะนั้นภิกษุนั้นออกจากฌานแล้วมองดูดอกบัวเห็นอันนี้จะลักษณะว่าทำไมน้อแลดอกบัวนี้จึงดูร่วงโรยได้ขนาดอนุปาทิ น, นกะสังขารยังถูกชราครอบงมได้อย่างนี้ไม่จำเป็นต้องพูดถึงอุปาทิ น, นกะสังขารชราจะไม่ครอบงมเป็นไม่มี นั่นนี้แล้วครั้นเห็นนา้นิจารลักษณะนั้นแล้วก็เห็นทุกขลักษณะและอนัตตลักษณะด้วยหกทั้งสามปรากฏแก่ท่านดุจไฟลุกไหม้และดุจซากศพผูกไว้ที่อ่อขณะนั้นพวกเด็กลงไปยังสะแห่งหนึ่งในที่ไม่ไกลจ า, ากภิกษุนั้น เด็ดดอกบัวขึ้นมากองไว้บนบกภิกษุนั้นมองดูดอกบัวทั้งที่อยู่บนบกและในน้ำลำดับนั้นดอกบัวในน้ำงดงามปรากฏแกเธอเหมือนมีหยดน้ำไหลออกดอกบัวบนบกกลับเหี่ยวแห้งที่ปลายภิกษุนั้นเห็นนนี้จะลักษณะเป็นต้นได้อย่างดีขึ้น ว่าชรายังกระทบถึงอนุปาตินั ก, กะสังขารขนาดนี้ชไนจะไม่กระทบอุปาทินั ก, กะสังขารเล่าตอนจงตัดความเยื่อให่จเจริญทางสงบพระศ า, ศาสดาทรงทราบว่าบัดนี้กรรมฐานเกิดแก่ภิกษุนี้แล้วดังนี้จึงประทรับนั่งในพระคันตะกุดีนั่นเอง ทรงเปล่งพระรัสมีไปพระรัสมีนั้นกระทบหน้าภิกษุนั้นเมื่อท่านพิจารณาว่าอะไรนะดังนี้พระาศาสดาได้เป็นประหนึ่งว่าสเสด็จมาประทับยืนอยู่ตรงหน้าท่านจึงลุกขึ้นประกองอัญชลีลา ด, ดับนั้นพระาศาสดาทรงพิจารณาธรรมะ ที่เหมาะสมแก่ท่านแล้วได้ตรัสพระคถานี้ว่าเธอจงตัดความรักของตนเสียเหมือนบุคคลถอนดอกบัวที่เกิดในฤดูศาสด้วยมือจงเพิ่มพูนทางแห่งสันติอย่างเดียวเ พ, พราะพระนิพพานพระสุคตแสดงไว้แล้วบาลีว่าอุดชินทะสิเนหะ มัตตโนกุมุทังสาระที่กังวะปานีนาสันติมัคคะเมวะปรุหยะนิพพานังสุขเตนะเทสิตังก็ในบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าอุดชินทะแปลว่าจงตัดได้แก่จงตัดด้วยอรหัตมรักคำว่า สาระทิกังแปลว่าที่เกิดในฤดูสัตว์ได้แก่ที่เกิดแล้วในสารทาการคำว่าสันติมักังแปลว่าทางแห่งสันติได้แก่ทางมีองแปดอันยังสัต์ให้ถึงบรนิพันธ์คำว่าปรูหยะแปลว่าจงเพิ่มพูน ได้แก่จงพัฒนาคำว่านิพานังคือพระนิพานหมายความว่าเพราะประนิพานอันพระสุคตทรงแสดงแล้วเพราะฉะนั้นท่านจงเจริญทางแห่งพระนิพานนั้นในเวลาจบเทสนาภิกษุนั้นตั้งอยู่ในประหรหัแล้วแหละเรื่องสัตทีวิหาริก ของพระสาริบุตรเถระ